วันนี้เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อเทียน13กันยาท่านมารณภาพปี3านะก็ผ่านไปแลป้วยีปีหลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ทางธรรมคนเดียวคนหลวงพ่อคําเขียนก็ว่าได้นะหลวงพ่อคำเขียน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 โดยเฉพาะพระกรรมฐานที่มีชื่อในปัจจุบันเพราะว่าพระกรรมฐานส่วนใหญ่นะั้นที่เรารู้จักกันท่านเป็นพระป่าหลายท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเนรแล้วก็ได้อยู่ป่าเขี่ยวกรัมโดยการออกธุ ด, ดงบำเพ็ญกรรมฐาน ทำความความสงบสงัดแต่ว่าหลวงพ่อเทียนแตกต่างนะเพราะว่าท่านก็เป็นค า, ารวดมานะเรียกว่าคอนชีวิตก็ว่าได้ท่านเพิ่งมาบวชนะก็ปีส0ตอนที่ท่านอายุ48ปีละปี2500นท่านเคยบวชพระครั้งหนึ่งก็บวชตามประเพณีนะแต่ว่า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 แต่ถ้ า, าว่าอยู่ในดินแดนหรือว่าทางโคจรนะของบิดาก็จะปลอดภัยจากอันตรายอันตรายในที่ว่านี้ก็หมายถึงมารหมายถึงกิเลสนะนะสติปัฐานเนี่ยเป็นเป็นทางโคจรหรือเป็นดินแดนของบิดาที่จะให้ความปลอดภัยหลวงพ่อเทียนเดิมเนี่ยนะท่านชื่อพันธ์นะ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 เรียกว่าทำบุญนะเรื่องการให้ฐานที่ทำเต็มที่แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยก็เกิดขึ้นตอนที่ท่านเป็นเจ้าภาพท้ากทินที่เมืองเลยเมืองลาวท่านก็มอบหมายให้ภรรยาเนี่ยจัดการเรื่องเงินนะเรื่องมหศัศลพจะเป็นลิกเกจะเป็นหมอรำนะหรือวันหนังนี่ก็ให้ ภรรยาเนี่ยดูแลใครจะมาเบิกเงินอะไรก็มามาเบิกกับภรรยาเป็นหน้าจริงภรรยาส่วนท่านก็จะถือศีลอุโบสถแล้วก็รับแขกอันนี้ก็น่าสนใจนะท่ากระถินนี่แต่ว่าท่านถือศีลอุโบสถท่านก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการบําเพ็ญบุญเหมือนกันแต่ว่าเช้านะวันที่เท่ากระถิ่นเนี่ยก็รู้สึก หลังจากนั้นเสร็จเรืเท่ากับทีมไปแล้วตอนเช้าก็ภรรยาก็มาถามท่านเรื่องค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับมหราศนะนะท่านโกรธมากเลยนะโกรธมากว่าเนี่ยมอบหน้าที่ให้แล้วนี่กย็ยังมายังมายุ่งยางกกว่าท่านอีกนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่เก็บความโกรธความไม่พอใจไว้ท่านบอกลูกศิษมันเหมือนกับตาใจมาก ที่จริงก็ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าท่านโกรธมากนะแล้วก็แล้กระทั่งตกเย็นเนี่ยถึงเวลาทานอาหารก็ยังมีความขุนเคืองอยู่แล้วก็บน่นอยู่หลายครั้งเลยนะว่าเนี่ยคนเรานี่ไม่รู้จักเคารพนับถือกันเปอยมาหลายครั้งเนี่ยภรรยาก็ถามพอทราบความก็เหลืออ้ยเจ้านี่ตกนรกแล้วนะ ถึงแม้ทาบุญเท่าก็ถึงแต่ก็ตกนรกแล้วตกนรกเพราะอะไรตกนรกเพราะความโกรธความไม่พอใจทําบุญแต่ว่าใจไม่เป็นบุญนะมันก็เหมือนกับตกนรกกันะคาพูดสั้นๆเนี่ยของภรรยาทําให้หวงพเทียนเนี่ยท่านฉุกคิดขึ้นมาแทนที่จะโกรธภรรยานะว่ามาว่าวเราว่าตกนรกโลซาทําบุญเต็มที่ท่านกลับได้คิดนะเออ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 แต่ว่าทางนั้นเนี่ยเขามีบริกรรมนะบริกรรมว่าติง่งนิ่งตงิ่งนิ่งติ่งก็คือไหวแต่ถ้าไม่ไม่บริกรรมเลยเอาความรู้สึกตัวยกมือพลิกมือไปพลิกมือมาเนี่ยเหมือนกับที่เป็นการสร้างจังหวะที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็มีก็อาศัยความสติความรู้สึกตัวในหลวงที่ปฏิบัติก็มีเรื่องเราว่าขณะที่กําลังนั่งปฏิบัติเนี่ยก็มี แมงป่องแม่ลูกอ่อนตกลงมาที่ที่ตักเนะีที่ขาเนี่ยแทนที่ท่านตกใจทนะ่ไม่ตกใจนั้นก็ดูนะแล้วก็เห็นลูกของแมงป่องที่มันออกมาท่านก็เอามือเอาไม้มาพาดขาไว้แมงปวางก็ยึดไม้ไว้ท่านก็เลยเดินเอาไปปล่อยนะที่คันนาตอนที่เดินนี่ก็มีสติรู้ตัวไปด้วยเนาะบอ ก, กว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตนะเข้าใจนะ เรื่องรูปนามเรื่องเรื่องสมมุติเรื่องปรมาทิตย์นะเรื่องไตลักเนี่ยไอ้ตอนนั้นเองแล้วก็วันนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตนะสืบเนื่องมาอีกนะเรียกว่าภายในวัน2วันนี้ท่านก็เข้าใจทาอย่างแจ่มแจ้งนะและนี่ก็เลยนะเป็นอ่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลวงพอเทียนแลนะแล้วท่านก็สอนทํนะให้คนได้เข้าใจธรรมะมากมาย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 อันนี้ก็คงจะเป็นที่ไม่พอใจนะของคนที่ยังติดในพิธีกรรมนะรวมทั้งพร ะ, ะท่านก็เลยมาบวชนะปี2500รแล้วก็สอนทรรม้านเะปีหลังจากนั้นก็หลวงพ่อคำเขียนนะซึ่งนั้นยังเป็นโยมอยู่ก็ได้มาพบตอนที่ปฏิบัติหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนก็ใจก็ไม่หลงให้นะเพราะว่าท่านยัง ติดในเรื่องของสมถะแล้วเวลาท่านปฏิบัติสมถะท่านก็พบกับความสงบเนะีเวลาสงบแล้วเนี่ยเกิดนิมิตคสามารถที่จะไอ้นิมิตก็ทําให้ใจเนี่ยยิ่งสงบนะียิ่งเพลินนะีบางทีก็เห็นใบเห็นมีเนี่ยมันพลิ้วเหมือนกับยอดห้าเลยหรือรู้สึกว่าตัวเนี่ยคับแน่นทั้งห้องคนที่เจอนี้มิตแบบนี้ก็ชอบนะเพราะมันตื่นเต้นดี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 ว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกนะจะเป็นภาพจะเป็นเสียงก็รับรู้นะแต่ว่าไม่ไม่ฟุ้งนะไปตามภาพที่เห็นไปตามเสียงที่ได้ยินแต่เดียกันก็ไม่เพ่งเข้ามาข้างในนะเพราะว่าการนักปฏิบัติที่เน้นสมถทานนี้จะเพ่งมากนะก็จะมาเพ่งไปเพ่งมาบางทีเข้าไปในความสงบนะแทนที่จะเห็นความสงบ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 แล้วก็ไม่ไปหยุดความคิดด้วยก็คือรู้ซื่อๆนั่นแหละนะคำว่ารู้ซื่อๆนี่ก็มาจากหลวมพ่เทียนนะก็คือรู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงเห็นอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามอีอาการใดเกิดขึ้นกับใจก็แค่รู้รู้มันเฉยๆนะไม่คล้อยนะแล้วก็ไม่ไม่ผักสมันนะไม่ผักสายไม่ไขว่คว้านะก็คือเห็นมันตามความเป็นจริง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 หลวงพ่อเทียนนะท่านก็ท้าทายหลายอย่างนะหลวงพ่อคำเขียนก็มีความทุกข์นะปฏิบัติมา2อาทิตย์แล้วยังไม่รู้รูปนามเลยขนาดเด่นตัวเล็กๆนี่ปฏิบัติแค่ไม่กี่วันก็รู้รูปนามก็ไปไปปรึกษากับหลวงพ่อเทียนนะก็ถามว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยปรึสอนมาสอนมาเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่รู้ไม่รู้ทำสมมติเธอบอกไม่มีเลยนะ หลวงพ่ออมอเที่ก็เลยบอกว่าเนี่ยก็คงคงมีผมเนี่ยคนแรกนี่แหละที่ไม่รู้ทำรรแริงๆท่านคิดว่าเนี่ยท่านทําบุญมาน้อยนะเพราะว่ายากจนไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนนี่ทําบุญมาเยอะแต่หลวงพ่อเทียนก็ท้าทายไาเนี่ยถ้าปฏิบัติกระท่งจริงๆเนี่ยก็จะรู้ทำถามว่าเดือนหนึ่งได้เงินเท่าไหร่เงินเดือนรายได้อะท่านบอกหนึ่พบาทนะเพราะาท่านเป็นช่างเป็น เป็นหมอทำเป็นหลายอย่างเนี่ยหนึ่งพันสมานนั่นก็ถือว่าเยอนนะท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติกับท่านจริงๆทั้งเดือนเนี่ยทำไม่ได้อะไรก็จะให้เงิน1นึ่พันบาทเป็นค่าเสียเวลาแต่ปรากว่าพอท่านปฏิบัติจริงๆได้นะไม่กี่วันนะท่านก็เห็นทำเข้าใจรูปนามนีอันนี้ก็คือเห็นว่าเนี่ยรู้ว่าเนี่ยเห็นเลยนะว่ามันไม่มีเรานะมันมีแต่รูปกับนามและรูปนี่มันรูปที่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 เพราะว่าคนเราเนี่ยก็จะคิดว่ามีฉันมีฉันตลอดเวลาแทนที่จะเห็นว่าเออมันเป็นแค่รูปกับนามหรือกายกับใจอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้หลวงพ่อคําเขียนท่านนะเกิดศรัทธานในการปฏิบัติจนกระทั่งออกบวชอย่างที่เล่ามาเพราะว่าเทียนท่านมีวิธีการสอนที่แปลกๆนะเพราะว่าท่านไม่ค่อยเก่งเรื่องการแสดงธรรมท่านเป็นพระร่างเล็กนะ แล้วก็เสียงเบาๆนะมองถ้ารู้จักผ่านๆ น, นี่ก็รู้สึกว่าท่านไม่ค่อยหน้าเกรงขามเท่าไหร่ไม่เหมืออาจารย์บางรูปนี่เสียงดังนะแล้วก็ดูมีสง่าราศีดูหน้าเกรงขามนะีหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนไม่มีเลยนะแต่ว่าพอได้สนทนากับท่านก็จะรู้สึกเลย น, นะถึงความนะมั่นอกมั่นใจหรือว่าความความความหนักแน่นและความมั่นคงของท่าน ซึ่งอันนี้ก็คนที่อยู่ใกล้ชิดก็สัมผัสได้อาจารย์โกวิทยเขยมานันทะเนี่ยเมื่อประมาณปี18นะไปจำพรรษาอยู่ที่วัดชประทานอันตมาก็ไปรู้จักอาจารย์โกวิทยครั้งแรกก็กที่นั่นแหละวัดชประทานตอนนั้นลักษณะตัวสิตรกูเนี่ยพาไปเพรนาะลักษณะนี้ก็ศรัทธาในอาจารย์โกวิทและพรรษานั้นหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็มาสอนพระด้วย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 แต่ก็โดนหลวงพ่อเทียนท้าทายตรงนี้ว่าถ้าไม่ทําถึงจุดนี้เนี่ยไม่รู้จักพุทธเจ้าหรอกไอ้จุดนี้คืออะไรนะท่านก็แสดงออกโดยการเอากันกลตัดนะตัดได้ให้ขาดบางคราวหลวงอาจารย์กุวิดเนี่ยนั่งสมาธินะท่านชอบนั่งตามลมหายใจแล้วท่านติดสงบมากหลวงพ่อเทียนก็มาข้างหลังแล้วก็เอามือเอานิ้วเนี่ยจิ้มที่มือนะเอานิ้วจิ้มจิ้มที่มือนี่บอก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 ถ้าเราว่าบางวันวันดีคืนดีหลงวงพ่อเทียงก็เอาผ้ามาคลุมผ้าคลุมศีรษะนะพอเดินผ่านพระก็เอาผ้าคลุมนั้นออกคนก็งงว่าไอ้ท่านกำลังสอนอะไรนะนะคิดไปคิดม า, าท่านคงสอนแล้วว่าอย่าไปติดสมถะนะเพราะว่าติดสมถะมันก็เหมือนว่ามันมืดนะมองไม่เห็นอะไรต้องให้รู้สึกตัว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 ถ้าเห็นมือข้างหน้าก็ไม่เห็นมือข้างหลังถ้าเห็นมือหลังก็ไม่เห็นมือหน้าหลวงพ่สีงก็เลยถามว่าทำไมถึงจะเห็นทั้งสองมือนะก็ต้องเห็นผ่านๆมองผ่านๆ น, นั่นแหละนะทำอย่างนั้นแหละนะก็คือว่าไม่เพ่งนะก็ให้ให้มองแบบผ่านๆมองแบบ ร, มรวมๆนะอันนี้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเวลายกมือสร้างจังหวะเนี่ยก็จะไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็มาจะเพ่งนะเพราะอยากจะให้รู้สึกตัวชัดๆ แต่นั่นมันไม่ใช่รู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วล่ะนะให้รู้แบบผ่านๆ น, นะรู้ ร, มรวมๆนะอันนี้ก็ทําให้อาจารย์กุ้ยนี่เข้าใจเลยนะอ๋อให้รู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะมันไม่ใช่เพ่งเรื่องควารู้สึกตัวนี้สําคัญมากนะมันเป็นพื้นฐานในการทําทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการทําความดีการให้ทานเนี่ย ถ้าทําด้วยความไม่สึกตัวเนี่ยก็เป็นใจไม่เป็นบุญนะอาจจะเป็นอกุศล น, นะอย่างที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านได้เจอมาด้วยตัวเองนะทอดกระถิ่น เ, นเงินทุ่มไปหลายนะสมัยนั้นคงจะเป็นหมื่นนะนะหมื่นสมัยนั้นก็คงแพงมากแต่ว่าพอไม่รู้สึกตัวแล้วก็โกรธนะพอไม่รู้สึกตัวก็เหมือนกับลงนรกไปเลยอย่างที่ภรรยาท่านทักหรือว่าทวงเอาไว้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 ก็ดีความเศร้าก็ดีความทุกข์มันก็เป็นศักแต่ว่าอาการนะแต่คนเราเนี่ยถ้าไม่ไม่มีสตินะมันก็จะสึกว่าความโกรธก็เป็นอันหนึ่งนะความเศร้าก็เป็นอันหนึ่งนะความเสียใจก็เป็นอันนึงความคิดก็เป็นอันหนึ่งนะแต่ที่จริงมันก็เป็นแค่อาการนะอาการนี่ก็เหมือนกระแสนะก็คือแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเหมือนกับกระแสน้ําที่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 ส่วนแม่ของเด็กก็ต้องไปซื้อของต้องไปซื้อของในห้างมีงานเลี้ยงนะตอนเย็นต้องไปจับจ่ายก็พาลูกเนี่ยนะนั่งเบาะหลังแล้วก็ขับรถไปถึงห้างนะเป็นห้างคล้เดอะมอลหรือบิ๊กซีเนี่ยเป็นที่จอดรถกว้างๆ้าน ก, กว้างๆโลงๆระหว่า ง, งที่ขับรถจ่ายก็นึกถึงว่าจะซื้ออะไรบ้างช็อปปิ้งลิสต์เต็มไปหมดเลยนะ พอถึงที่จอดรถก็รีบลงจากรถนะแล้วก็เข้าไปในห้างนะไปซื้อของของสารพัดเลยไปเป็นชั่วโมงนะพอซื้อเสร็จเข็นรถนะมาที่ที่จอดรถรถที่หมายถึงรถที่ใส่ของกันนะมาถึงที่จอดรถตกใจทิ้งลูกเอาไว้ทิ้งลูกเอาไว้ในรถนะแล้วตอนนั้นก็เป็นกลางวันด้วยแดด ก, ก็ร้อน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 ความคิดที่เราไปคิ่าเป็นเราเป็นของเราความคิดที่มันชักนําให้เราลืมตัวนะเวลามีความคิดทําไม่รู้ทันนะมันเป็นนายเราและมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยทำอะไรต่อแล้วได้สารพัดสั่งให้ดา่านะสั่งให้ทําลายเข้าของนะสั่งให้ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนนะทำให้หมดอะไรตายอยากกับชีวิต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 ทางโลกหรือทางธรรมก็ตามก็ไม่ประสบความสำเร็จได้ก็มีแต่วความทุกข์